ดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายใครๆนึกออกถึงมหาสมุทรก็จะเห็นได้ว่าแม่น้ำน้อยทั้งหลายใดๆก็ตามที่ไหลลงทะเลย่อมเป็นอันผู้นั้นยังเห็นได้กายคตาสติคือสติอันไปในกายใครๆจะเริ่แล้วทำให้มากแล้วกุศลทำทั้งหลายใดๆก็ตาม